มีเหตุการณ์หนึ่งนะเกิดขึ้นที่เมืองไทยแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจอาจจะเป็นเพราะไม่ได้รับรู้หรืออาจจะไม่เห็นความสําคัญก็ได้แต่ฝรั่งก็สนใจนะหนังสือพิมพ์ชื่อดังแห่งหนึ่งของอังกฤษนะเด็กกาเดียนเนี่ยเขาตีพิมพ์รายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะเพราะว่า เขาลงทางเว็บไซต์ด้วยเหตุการนั้นนะคือว่ามีวัดแห่งหนึ่งนะที่จังหวัดนนทบุรีวัดปราสาบส่วนใหญ่ก็ผมไม่เคยได้ยินชื่อวัดนี้เพราะว่าไม่ใช่วัดดังอะไรนะแต่ว่ามีของดีนะมจีจิตกรรมอ่าจิตกรรมฝาผนังสมยัยอายุทยาเพราะว่าโบสเนี่ยสร้างมาใ น, นสมัยอายุทยาแล้ว แล้วก็ช่างก็วาดจิตรกรรมฝาผนังอย่างงดงามแต่ตอนนี้มีปัญหาคือภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยมันกำลังถูกกระเทาะกาลังเสื่อมสภาพซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่ภาพเนี่ยกระเทาะออกมาจากฝาผนังเนี่ยก็เพราะว่า มันมีความชื้นที่ซึมจากใต้ดินแล้วก็มันก็ไม่ใช่ความชื้นธรรมดานะมันมีเกลือเนี่ยปะปนเข้ามาด้วยไอความชื้นของน้านี่มันก็แย่อยู่แล้วนะยิ่งมีเกลือมาผสมด้วยเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีกถามว่าเกลือนี่มาจากไหนนะ กลือนี่มันมาจากน้ําทะเลแล้วน้ําทะเลมาจากไหนนะวันนี้เนี่ยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมันก็อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลนะี่หกสิกิโลน้ําทะเลไม่ได้มาจากไหนนะน้ําทะเลมาจากอ่าวไทยนะแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยน้ําทะเลเนี่ยจากอ่าวไทยเนี่ยมัน มันลุกล้ําเข้ามาเนี่ยนะถึงเมืองนนลแล้วเดวยวเพรา ะ, ะช่วงที่ฝนตกน้อยเนี่ยหน้าฝนปีนี้เนี่ยนะฝนก็จะว่าไปก็ น, น้อยกว่าปีก่อนๆพอน้ําฝนเนี่ยมันมีน้อยจากเจ้าพยาน้ําเจ้าพยามันก็ไม่มากเหมือนก่อนน้ําทะเลมก็ลุกเข้ามา แต่ที่จริงเนี่ยน้าทะเลเนี่ยนะถ้าเป็นเมื่อสักสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี้มันก็คงจะไม่ลุกล้ําเข้ามาไกลถึงขนาดนี้ที่จริงเนี่ยไม่ได้แค่เมืองนนนะตอนนี้เนี่ยมันไปเป็นถึงชัยนาธแล้วน้ําทะเลนะมันลุกล้ําเข้าไปแต่คนไม่ค่อยสังเกตนะเพราะว่าปริมาณของน้ําทะเลนี่มันยังไม่มากเท่าไหร่มันยังเห็นไม่ชัด แต่มันก็แสดงตัวนะให้เห็นชัดเจนจากจิตกรรมฝาผนังที่วัดพระสาดเนี่ยซึ่งเป็นจิตกรรมที่สวยงามนะแต่ว่าตอนนี้นี่เลือนลางมากดูไม่ค่อยเห็นละไม่ค่อยชัดละในจุดก็ น, น่าคิดนะว่าน้ำทะเลเนี่ยจากอ่าวไทยเนี่ยมันเข้ามาถึงเมืองนนได้อย่างไรนะ คำตอบคือเป็นภาวะโรคร้อนนะโรคร้อนเนี่ย <c oughs> อย่างนี้เราทราบดีนะมันก็ทําให้น้ําแข็งเนี่ยในขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันละลายน้ําแข็งมันละลายเนี่ยก็ทําให้น้ําทะเลเนี่ยมันยกระดับสูงขึ้นเพราะว่าน้ําแข็งนี่มันเวลามันละลายกลายเป็นน้ําเนี่ยนะปริมาณมันมหาศาลเลยนะแล้วคนก็ไม่คิดนะว่า หรืออาจจะไม่ทันคิดนะว่าเนี่ยแค่น้ำแข็งละลายในโคโลกเหนือนี่มันก็ส่งผลนะมาถึงเมืองไทยได้นะเพราะพ อ, พอน้้ำทะเลสูงขึ้นมันก็ล้ำเข้าไปนะตามแม่น้ำเจ้าพยายิ่งน้ำจืดเนี่ยหรือจากแม่น้ำนี่มันน้อยลดจำนวนลงน้ำทะเลก็ลุกล้ำเข้ามาไกลขึ้นนะ มันก็ทําให้เลือกสวนไร่นาตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะน้ํามันกร่อยแม้กระทั่งน้ําประปานี้ก็เริ่มเค็มแต่ว่าที่มันเห็นได้ชัดอย่างนี้คือโนะบราณสถานนี่ก็กำลังจะได้รับผลกระทบนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะเพราะคนไทยก็ไม่ค่อยสนใ จ, จกิจกรรมฝาผนังอยู่แล้ว ไม่ว่ามันจะเก่าแก่เพียงใดนะแต่ว่ามันมีนัยยะที่สำคัญนะเพราะมันหมายความว่าต่อไปเนี่ยกรุงเทพก็ต้องเจอปัญหาน้ำทะเลหนักขึ้นเรื่อยๆบางวัดเนี่ยนะที่อยู่แถวปางน้ำในตอนนี้กลายเป็นอยู่กลางเทะเลไประอย่างวัดขุนสมุทรจีนเนี่ ย, ยอยู่อเภอพระสมุทรใจดีเนี่ยสมุทรปราการเนี่ย70ปีที่แล้วเนี่ยนะอยู่ห่างจากชายฝั่งเนี่ย2กิโลนะ ตัวโบดนะสามสิบปีต่อมาสี่สิบปีต่อมาน้ําทะเลเนี่ยก็ประชิดตัวโบดเลยน้ําทะเลเนี่มาถึงหน้าโบดเลยนะตอนนี้เนี่ยโบสนี่กลายเป็นเกาะอยู่กลางทะเลไปแล้วอยู่ห่างจากชายฝั่งเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลนะที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะน้ําทะเลเนี่ยมันท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่เหตุปัจจัยสำคัญระยะหลังคือโลกร้อนนะเมื่อปี2 5 5หหหรือส0ปีที่แล้วเนี่ยธนาคารโลกบอกว่าเนี่ยประมาณปี2576ดหหรือ2586กเนี่ยนะก็คือ10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยซของพื้นที่กรุงเทพเนี่ยน้ำทะเลจะเข้าถึง หรือพูงาคือน้ำทะเลเนี่ยมันจะท่วมน0ี่ของกรุงเทพแต่ว่านี่ดูน่ากลัวแล้วนะแต่ว่าที่มันน่ากลัวกันนั้นคือข้อมูลล่าสุดเนี่ยเขาบอกเนี่ยประมาณอีก35ปีข้างหน้าเนี่ยคือคอสอสอพนหเนี่ยหรือประมาณ34ปีข้างหน้านี่กรุงเทพทั้งกรุงเทพเลยนะรวมไปถึงบางปะอิน กรุงอยุธยาอาจจะไปถึงชัยหน้านี้อยู่ต่ากว่าระดับน้ํำทะเลแปลว่าน้ําทะเลนี่ก็จะท่วมนะไปถึงโน่เลยนะชัยหน้าอายุธยาใครที่มีใครที่มีบ้านอยู่กรุงเทพนี่ก็เตรียมรับน้ําท่วมตลอดปีได้ไม่ใช่น้ําจากน้ําฝนนะนั้นๆคือน้ำหล่อระบายแต่นี่มันคือน้ำรอรนะนอนํำทะเลนะจากอ่าวไทยนะ ใครมีศูนย์การค้าก็เป็นเจ้าของศูนย์การค้าโรงแรมใหญ่ๆนี่ทรัพย์สินเหล่านี้จะกลายเป็นเนี่ยไร้มูนค้าวันทีนะอน้้ำท่วมเนี่ยพอนน้ทะเลท่วมโบราณสถานสำคัญก็จะถูกน้ำทะเลท่วมอาจจะท่วมแค่เขานะหรือว่าท่วมอ่าแค่อาจจะท่วมถึงเอลเลยก็ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับที่เรากำลังนะสนใจเรื่องเศรษฐกิจปีหน้าสองปีหน้านี่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่้ามองไปเนี่ยสามสบปีข้างหน้านี่สถานการณ์จะหนักมากคนไม่ค่อยได้คิดเท่าไหรนะ่ที่ดินที่มีราคาเป็นหลายๆล้านตารางวาละหลายล้านนี่ มันจะกลายเป็นเรียกว่าไม่มีราคาไปเลยนะถ้าน้ําทะเลมันท่วมแล้วเราก็ไม่ได้คิดกันนะว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรก็อยู่กันไปวันวันหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคนไทยไม่สนใจนแต่ฝรั่งนี่ก็สนใจนะเพราะว่าไอาการที่จกิกรรมฝาผนังที่ว่าปราสาทเนี่ยมันกระทอะเพรเกลือเนี่ยมันซึมเข้าไปเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนที่น่ากลัวมากแต่คนไทยไม่สนใจนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง